ในโอกาสต่อไปก็ให้กำหนดนสติของเราอยู่ในลมหายใจเข้าออกเป็นอารมณ์ให้จิตสงบเพราะการที่เราได้จเจริญในพุท ธ, ธานุสติธรรมานุสติสังคานุสติในการสวดมนต์ก็เพื่อให้เรามีสติ น้อมระ ล, ลึกไปถึงคุณขององค์สมเด็จพระศ า, ศาสดาพระสมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าและพระสังฆเจ้าในโอกาสต่อไปนี้ก็ให้เราได้กำหนดสติของเราให้ต่อเนื่องในเบื้องต้นก็กำหนดลมหายใจเข้าขออกนี้เป็นอารมณ์มีสติรู้ที่ปลายจมูก ลมเข้าลมออกจะนึกคําบริกรรมภาวนาว่าให้ใจเข้าพุทธให้ใจออกโทรหรือจะกําหนดฉนเฉพาะรู้ลมเข้านู่นลมออกก็ได้ mm hmm. เมื่อจิตของเรามีความสงบคําบริกรรมภาวนาพุทโทก็จะไม่มีการที่เรากําหนดลมให้ใจเราก็ไม่สนใจแล้วตอนนั้น จิตจะรวมเข้ามามีความรู้สึกว่าจิตนี้สงบไม่คิดฟุ้งซ่านสงสายไปไหนจะมีลักษณะความคิดอยู่ น, น้อยๆอยู่ในวงจำกัดหรือบางครั้งก็จะปรากฏเป็นภาพนิมิตจะ่าท้าเราจเจริญในพุทธานุสติ ก็อา จ, จเห็องค์พระปฏิมาปรากฏขึ้นมีความสว่างสวยสวยงามหรือเรากําหนดในกรรมฐานกองอื่นก็จะมีนิมิตมาปรากฏขึ้นได้นิมิตที่ปรากฏขึ้นมาอย่างชัดเจนก็เกิดจากกิจของเรามีความสงบนั่นเองก็ให้เรากําหนดความสงบเอาไว้ พราะตามสงสัยไปในนิมิตแล้วสติเคลื่อนจากอารมณ์กรรมฐานนิมิตก็จะหายไปการเจริญที่ทําให้เรามีความสงบใจนี้นอุบายวิธีที่จะให้เราสงบใจก็เรียกว่าสมถะกรรมฐานกรรมฐานนั้นเป็นวิธีอุบายที่ให้จิตสงบซึ่งมีหลายอย่างหลายประการเช่นอนาปานสติเป็นต้น เมื่อเรามีความชำนิชำนาญในการกำหนดจิตให้สงบนิวรธรรมอันเป็นเครื่องกลางกั้นคุณงามความดีเช่นประการบัชันทะความกำาหนดยินดีในรูปเสียงกิรลด์ผนภพธรรมลมพยาบาทความคิดปองร้ายมุ่งร้ายเบ็ดเบียน ที่น่าีทถาความง่วงเหงาหานอนในเวลาที่เราปฏิบัติอุทักจากกุกุจจะความฟุ้งซ่านหรือความรู้สึกหงุดหงิดนำขาญใจหรือความบางเลสงสัยในเรื่องต่างๆในเรื่องปฏิบัติภาวนาเป็นต้นถ้าจิตของเราสงบเป็นสมาธิแล้วนิวรธรรมทั้ง5ประการนี้ ก็จะถอยห่างออกไปจากจิตใจนะจิตใจเราก็จะมีความสงบมีความสว่างสวยมีความแนบแน่นอยู่นี่เป็นสมาธิก็สามารถข่มกิเลสเอาไว้ได้มีลักษณะก้อนเห็นที่ทับหญาเอาไว้ถ้ายกก้อนเห็นขึ้นมาแล้วหญ้าก็จะงอกขึ้นไดอีกสมาธิทานี้ก็จะข่มกิเลสเอาไว้ได้ กิเลสที่เคยมีอยู่ในช่วงที่จิตของเรามีสมาธิกิเลสจะสงบนิ่งยังไม่ปรากฏที่จะทำให้เรามีความทุกข์ใจแต่ถ้าสมาธินี้มานลดน้อยลงเมื่อไหร่นิวรณทั้งห้าดังที่อธิบายมาแล้วก็จะเกิดขึ้นทันทีเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ทำสมถาะากรรมฐานควบคุม ใจิตใจของเราได้สงบระงับได้ระดับ1มีวิตกวิจารณ์อยู่ในอารมณ์กรรมฐานนั้นคำามาวิตกวิจารณ์ก็ไม่ใช่ความคิดคือยกอารมณ์กรรมฐานนั้นขึ้นมาเป็นอารมณ์จนจิตสงบมีปีติปีติก็มีทั้ง5ประการเหมือนกันเช่นบอกขนพองสยองก้าวหรือมีความรู้สึกเย็น ทั่วทั้งกายหรือกายนี้มีลักษณะที่ันเบานุืมันลอยขึ้นมากายขยายใหญ่ได้หรือว่าน้ำตาไหลากายโยกโคงต่างๆก็เป็นอาการของปิเมื่อเราทำสมาธิไปนั้นบางครั้งมือจะหายไปเท้าจะหายไปร่างกายของเราจะหายเป็นครึ่งตัวหรือทั้งตัวเลย จนมารู้สึกว่าไม่มีร่างกายร่างกายนี้มันเบาลอยอยู่บนกลางอากาศอย่างนี้เป็นต้นนึกว่าก็มีความอิ่มใจมีปีเตคือความอิ่มใจมีความสุขใจนั่งสมาธิไปบางทีร่างกายนี้รู้สึกว่ากายมันแข็งเหมือนก้อนหินจิตมีความรู้สึกว่าเป็นสุขมาก ออกจากสมาธิมาแล้วจิตของเรามีกําลังเมจิตของเรามีกําลังตรงนี้เราก็ต้องยกขึ้นสู่วิปัสสนาในเบื้องต้นจะให้วิปัสสนามันเกิดขึ้นเองยังไม่ได้ก็ต้องมาฝึกจิตของเราในด้านปัญญาโดยยกก้อนกายนี้มาเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาคืออารมณ์ที่จังทุกขังอนัตตา พิจารณาร่างกายนี้เพทีละส่วนก็ได้ว่าร่างกายนี้เกิดขึ้นมาแล้วก็ตั้งอยู่ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปหาความเที่ยงแท้แน่นอนไม่ได้หาความเป็นตัวเป็นตนไม่ได้เมื่อเราพิจารณาอย่างนี้แล้วจิตของเรามีความเห็นตามความเป็นจริงเมื่อปัญญาเกิดเมื่อปัญญาเกิดนั้นนะจิตก็ จะมีความสว่างสวยสงบอีกครั้งหนึ่งแต่เป็นความสงบอันเกิดจากปัญญาที่เกิดขึ้นมาคิเลสที่อยู่ในใจก็จะถูกปัญญานี้ทำลายไปทีละน้อยลน้นอยเมื่อมีสมาธิเกิดขึ้นครั้งหนึ่งเราพิจารณารู้เห็นตามความเป็นจริงครั้งหนึ่ง ที่เลีก็จะถูกทำลายไปหรือบางครั้งบัจจิตของเราสงบเข้ามาแล้วอาจจะเกิดสภาวะที่เรียกว่าวิปัสนาญาณปรากฏขึ้นมาบัจจิตรวมตัวเห็นวัตถุสิ่งของภายนอกก็ดีเห็นร่างกายคนร่างกายสัตว์ก็ดีมีลักษณะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วกระดับไปทุกวินาที อนุธาตุของวัตถุทั้งหลายกําลังเสื่อมอยู่นี่เวลาเราเห็นด้วยตาในคือตาปัญญาเนี่ยมีความละเอียดลึกซึ้งอย่างนั้นเมื่อวิปัสสนาญาณปรากฏขึ้นมาเห็นความเกิดดับของสังขารจิตก็เบื่อหน่ายครายความยินดีเห็นสังขารนี้เต็มไปด้วยความไม่สวยไม่งามเต็มไปด้วยโครงกระดุก ทั้งร่างกายเราเองร่างกายบุคคลอื่นหรือทั้งโลกก็เป็นโครงกระดูกทั้งนั้นคือเห็นสังขารนี้เป็นของไม่งามจิตใจก็จะเบื่อหน่ายคลายความยินดีลงเมื่อเห็นว่าชีวิตของคนและสายกํกำลังวิ่งไปสู่ความตายอยู่เสมอไม่ได้ความดับไปดับไปดับไปหาสาระหาแก่นสารไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นจนจิตวางสังขารานุเบขายานวางเฉยในสังขาร พอเห็นสองขานทั้งรูปทั้งนามก็มีความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอย่างนี้ในวิปัสสนาญาณญาณ น, นั้นเป็นเหตุให้เกิดปัญญานี่ก็เกิดขึ้นมาสําหรับนักปฏิบัติเราก็ไม่ต้องสงสัยอันนี้ก็เป็นแนวทางที่ถูกต้องเราก็ไม่ได้ว่าจะบังคับให้เกิดมาถึงการเวลาแล้ววิปัสสนาญาณ น, นี้จะเกิดขึ้นมาเองโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจ เห็นคนทั้งหลายเดินไปเดินมาเหมือนกับว่าเป็นตุ๊กตาเดินได้ก็ได้มันไม่มีตัวไม่มีตนจริงๆคือสภาวะสมาธิที่ปรากฏขึ้นมาแล้วเห็นทั้งโลกนี้มันเป็นแต่ความว่างถึงนั้นหาความเป็นสาระแก่นสารไม่ได้นี่หมายควาจิตที่สงบก็จะปรากฏความรู้ความเห็นอันเป็นสัจจันทร์ขึ้นมาได้ และเมื่อเราได้จเจริญมิปเสนาก็ยิ่งจะเห็นแแจ้งชัดในรูปในเวทนาสัญญาสังขารบัญญาณว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนโดยเรากำหนดดูยกรูปนี้ขึ้นมาเป็นอารมณ์แล้วก็พิจารณาเมื่อเห็นแจ้งชัดอย่างนั้นปัญญาเกิดจิตของเราก็เหมือนกับว่าจะหลุดลอยออกไป จากความยึดมั่นถือมั่นจากกุปทานที่เคยมีมันขาดสะ บ, บั้นลงไปได้ในบางส่วนทำให้เรามีความรู้สึกมั่นใจในแนวทางปฏิบัติในแนวทางภาวนาตามองค์สมเด็จพระสัสดาที่ท่านสอนไว้ไม่เดินอยู่ในศีลสมาธิและก็ปัญญาแต่ในเบื้องต้น เมื่อสมาธิยังไม่ตั้งมั่นปัญญายังไม่เกิดนิวรน์ธรรมก็จะเกิดขึ้นมาคือความลังเลสงสัยในแนวทางการปฏิบัติหรือบางครั้งเมื่อจิตมันสงบมากขึ้นมาแล้วมีความเย็นใจอิ่มใจมากจนไม่อยากจะพิจารณาในรูปในนามให้เป็นอนิจังทุกขังอนัตตาจิตจะดิ่งสงบและหาความสุขในสมาธิอย่างเดียว อันนั้นก็เรียกว่าเป็นความสุขันเกิดจากสมาธิยังไม่ได้เกิดจากปัญญากิเลสยงังครอบงมจิตใ จ, จเราได้อยู่เมื่อสมาธิมาถอยลงไปกิเลมันจะเกิดขึ้นมาทันทีเพราะฉะนั้นเราจะไปติดอยู่ในสมาธิในความสงบอย่างนั้นไม่ได้ยังเป็นโลกิยะสมาธิสมาธินั้นยังไม่เที่ยงแท้แน่นอนอะไร เราต้องมาพิจารณาในรูปในเวทนาจนเห็นแจ้งชัดแต่ละครั้งก็ทำลายกิเลสไปแต่ละครั้งเมื่อเราทำลายกิเลสไปแต่ละครั้งใจของเรามันก็สว่างว่างขึ้นราตุราตุนขึ้นมาได้สักยยทิฏฐิวิจิกิจชาสีดาบตป ร, ตปรมาตอันเป็นอนุสัยกิเลสเบื้องต้นสามประการคือความเห็นที่ผิดเห็นว่านี่คือตัวเรานี่คือของของเรา เมื่อมีตัวเรามีของของเราก็เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ขึ้นคือตัณหาก็จะเกิดขึ้นเอาวิชาตัณหาอุปทานก็คือความยึดมั่นถือมั่นมัน่นดีกคือเรานี่คือของเราเป็นเหตุใหจิตของเราเกิดการมะตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาขึ้นมาแต่เมื่อเราพิจารณาด้วยสติปัญญาทายถอนอุปทานความยึดมั่นถือมั่นปัญญาก็จะทาลาย ตัวสังโยชน์โอภทานความเห็นผิดเมื่อมีปัญญาเกิดขึ้นครั้งหนึ่งก็จะทำลายความเห็นผิดจะ ท, ทำความเห็นให้ถูกต้องความเห็นที่ดิง่งหรือว่าฝังแน่นว่าตัวเราของเราจะถูกถอดถอนออกมาด้วยปัญญาเห็นจะเห็นว่าร่างกายนี้เป็นธาตุทั้ง4รวมตัวกันขึ้นมาโชคข่าวในที่สุดก็ต้องแตกสลายไปเป็นธรรมดาหาศาสตร์บุคคลตัวตนเราเขาไม่ได้ พะฉะคัข้ขอด้วยกายานุปัสนาสติผัสฐานในเบื้องต้นนั้นคําว่ากายาก็คือกายการที่มีสติกําหนดอยู่ในกายเช่นลมหายใจก็เป็นส่วนหนึ่งของกายหรือท่าทั้ง4นี้ก็เป็นกายหรือร่างกายนี้ไม่สวยไม่งามเป็นอสุภะก็เป็นกายตลอดจนการกําหนดการเคลื่อนไหวไปมา เห็นว่าการยืนการเดินการนั่งการนอนการดื่มการทําการโค้งแขนเหยียดแขนต่างๆการ น, นิ่งการพูดมีสติก็ว่าเรื่องด้วยกายเหมือนกันเกี่ยวกับอริยบทการเคลื่อนไหวของกายเมื่อมีสติอย่างต่อเนื่องแล้วจิตมีความสงบมีความเบาสบายก็จะพอมองเห็นว่ากายนี้สักแต่ว่ากาย ท o กายสักตะ ว, วากายนี้ก็คือเจริญวิปัสนาให้ปัญญาเกิดอารมณ์ที่จะให้เกิดปัญญานั้นก็คืออนิจจังความไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกอนัตตามไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเพราะจิตใจของเรามีความวิปรารเห็นผิดอยู่เห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงก็เป็นของเที่ยงเห็นสิ่งที่ว่าเป็นทุกเราเห็นว่าเป็นสุข รูปนามนี้ไม่เจตัวไม่เจตตนก็เข้าใจว่าเป็นตัวเป็นตน <c oughs> ร่างกายนี้ไม่สวยไม่งามก็สัญญาผิดเห็นว่าสวยวงามจึงมีจิตวิป ร, ราชเห็นผิดอย่างนี้แต่เมื่อเรามีอารมณ์มนิจังทุกขังราตาเป็นอารมณ์แล้วก็จะทําลายความเห็นที่ผิดลงได้เห็ว่า ก, กายนี้สักแต่ว่า ก, กายแยกธาตุแยกขันธ์แยกกัตถะออกมาแล้วก็หาตัวหาตนไม่ได้ ว่าเราอยู่ที่ไหนอยู่ที่ผมขนเล็บฟันหนังอยู่ที่กองกระดูมไหมและอยู่ในน้าเลือดแท้จริงก็ไม่มีมาเราแยกกายมาสนิสองประการแล้วก็เป็นแต่ธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นเองมาประชุมรวมกันเป็นสรีรละยนอาศัยจิตที่มามีอุปท า, านอยู่ในกายนี้ในหลงเจตตัวกายนี้เป็นจริงเป็นจังว่าเป็นตัวเราลึกของของเรา เมื่อใจสงบพิจารณาด้วยปัญญาก็จะถ่ายถอนอุปทานความเห็นผิดความเห็นถูกก็จะเกิดขึ้นมาเมื่อความเห็นที่ถูกต้องเกิดขึ้นมาเมื่อถึงการถึงเวลาใ น, นศีลสมาธิปัญญาเมืรวมกันเป็นมรรคสมังขีขึ้นมาเพียงมีความรู้ขึ้นมาว่ากายก้ อ, อ น, นี้ไม่ใเ่ตัวไม่เจตตนไม่นาไม่เจตัวไม่เจตตนเราก็จะเห็นธรร ม, มาได้บุนคคลได้เห็นธรรมก็เห็นพระพุทธเจ้านั่น พระเจ้าก็อยู่ที่ธรรมะเมื่อเรามีปัญญาอย่างนี้จะทําลายความเห็นผิดทําให้เกิดความเห็นที่ถูกต้องขึ้นมาเจ็ดก็เข้าสู่โรกุตระภูมิเป็นพระโสดาบันบุคคลเป็นพระยบุคคลในเบื้องต้นของพุทธศาสนาซึ่งเริ่มขึ้นมาจากการที่พวกเราพยายามปฏิบัติภาวนาการสร้างคุณงามความดีการให้ทานรักษาศิน มงเ็นปฏิบัติสร้างแต่ในอารมณ์ที่เป็นกุศลกรรมที่เป็นความดีระกรรมสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายเมื่อเราทาอย่างนี้ทุกวันทุกวันจนจิตใจของเราตั้งมั่นเป็นสมาธิที่เรียกว่าภาวนามนยปัญญาปัญญาเกิดก็มาเช็คความคิดปัญญาที่เกิดขึ้นมาจากการภาวนานั้นเป็นความรู้ รู้อย่างแจ้งชัดการรู้แจ้งชัดแต่ละครั้งนั้นจะทำลายอุปทานและจิตใจลงไปได้แต่ปัญญาในเบื้องต้นที่เราได้ยินได้ฟังอยู่นี้ก็เป็นปัญญาจากการอ่านจากการได้ยินได้ฟังแล้วเราก็นําไปปฏิบัติไปพิจารณาใครควรพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวตนเวทนา ส, ญาสาัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่ตัวตน เมื่อเราใคร่ควรพิจารณาด้วยปัญญาระดับหนึ่งก็เป็นปัญญาจากความคิดจิตใจของเราก็ยอมรับถอนอุปทานมาได้อีกระดับหนึ่งเหมือนกันแต่ว่ายังไม่เป็นภาวนาเมยปัญญาแต่เมื่อเรามาภาวนาจนจิตของเราสงบอบรมด้วยสมถกรรมฐานดังที่อธิบายในเบื้องต้นอ่าเช่นว่าพุโทโธธ ร, รมโมสังโฆเรือนาปานสติก็ตาม จนจิตใจของเราสงบเข้ามาเป็นคณิกาสมาธิสมาธิเล็กน้อยอุปจารสมาธิสมาธิที่มีความสงบแนบแน่นที่จะความใกล้กับความเป็นหนึ่งจนเข้าถึงอัปนาสมาธิสมาธิที่มีความเป็นหนึ่งสมาธิแต่ละขั้นแต่ละตอนเราสงบได้แค่ไหนก็เอาสมาธิระดับนั้นละ พิจารณาในรูปในนามให้เห็นเป็นอริจจางทุกขังอนัตตาเมื่อเราเดินตามแนวทางปฏิบัติตามที่ครูบาอาจารย์นุกงปุ๋มมันนุกงประชาท่านได้นำมาสอนตามคามสอนของสมเด็จพระชินวรที่ท่านได้สอนไว้ว่าเมื่อเรามีสติกาหนดรู้อยู่ในกายเวทนาจิตธรรม เห็นกายเวทนาจิตธรรมนี้แหละสักต่ ว, วากายสักตะวเวทนาจิตหรือธรรมปัญญาเกิดจิตก็จะบริสุทธิ์หลุดพ้นขึ้นมาได้เมื่อเราสังเกต ด, ดูในจิตใจนี้เกิดเหมือนกันในส่วนของนามบางครั้งก็มีความยินดีบางครั้งมีความยินร้ายบางครั้งรู้สึกโกรธเกียรต์รักชังต่างๆเกิดราคะโทสะโมหะบางครั้งก็ไม่มีราคะโทสะโมหะ มีแต่ความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปถัดใจนใะนมีปัญญาก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นเห็นสักแตว่วะใจสักแต่วะจิตอาการทั้งหลายจะเกิดขึ้นมานี้มันมหาจะเป็นตัวเป็นตนสารพกรเราเขากรหายไหมมีแต่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วกระดับไปทั้งนั้นสติปัญญาเกิดขึ้นเราก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นเห็นจิตสักตะวะจิตอย่างนี้ก็ป่อยวางตามธรรมชาติ ไม่มีเราแลือไม่มีของของเราสิ่งที่จิตคิดนั้นคิดดีก็ไม่ใช่เราคิดไม่ดีก็ไม่ใช่เราจิตปล่อยวางได้นั้นก็ไม่ใช่เราจิตยึดมั่นถือมั่นก็ไม่ใช่เราวางไปตามธรรมชาติอย่างนี้ความสงบของจิตก็เกิดขึ้นจากปัญญาที่รู้เห็นตามความเป็นจริงจิตของเราก็จะมีที่พักพิงก็คือมีความสงบของใจ อันเกิดจากปัญญาที่ได้ทําลายกิเลสไปแล้วเป็นสมุเฉททัพหานโดยการเดินตามทางมักมียองแ์8เกษินสมาีปัญญาอยู่เสมอนั่นเองก็ ข, ขอให้พยายามปฏิบัตินักภาวนาถ้าเรายังภาวนายังไม่ถึงอย่างที่อธิบายก็ให้บำเพ็ญภาวนาให้มีทานมีศีลมีการภาวนาเป็นประจำถ้าจิตของเราเคยสงบระ ง, งับมาแล้ว จนสามารถมีนิมิตเป็นอุข า, านิมิตนิมิตติดตาปฏิภาคนิมิตขยายนิพิสนั้นให้เลี้ยแค่ใหญ่ได้ก็กําหนดมาพิจารณากายให้เห็นแจ้งตามความเป็นจริงเมื่อเห็นกายนี้เป็นของไ ม, ม่งามจิตก็จะมีปิติมีความสุขใจมีความยิ่มใจยิ่งเห็นว่าไม่งามมากขึ้นเท่าไหร่ก็ยังมีความสุขใจมากขึ้นเท่านั้น สนจิตของเรานี้มีความสงบแนบแน่นเป็นหนึ่งได้ได้พิจารณาเห็นความเป็นจริงทุกขังอนัตตาโดยปรากฏชัดขึ้นมาเองโดยที่เราไม่ได้พิจารณาเมื่อปรากฏชัดแต่ละครั้งแต่ละข่าวนั้นจิตจะมีความปิติมีความปราโมทเพราะเข้าใจแจ้งชัดในความเป็นจริงเมื่อเวลาแห่งการปฏิบัติของเรามันมาถึงความเหมาะสมแล้ว มักทงงกางหลายรวมกันมาเป็นสมังคีก็จะตัดสินกิเลสตัดกิเลสให้เป็นสมุทเฉตพหารความวังเลสงสัยว่ากายก้อนนี้เป็นตัวเราโคตลึกของเราก็ไม่มีเพราะเห็นแจ้งชัดแล้วว่าสัก์แต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาความรู้เกิดขึ้นอีกสักครั้งเดียวนั้นก็เรียกว่าเราสามารถข้ามโคจากปรชนกัญยานชนขึ้นมาข้ามนี้ขึ้นเป็นโลกุตระชนได้ หรือเป็นอริยชนได้ก็ข อ, ขอให้พยายามบำเพ็ญเพียรปฏิบัติให้ต่อเนื่องเขอมยงถึงแม้ว่าเราจะมีกิจการงานภายนอกเราก็ประกอบไปด้วยจิตที่เป็นธรรมส่วนการปฏิบัตินั้นก็จะเป็นการพัฒนาจิตของเหลานี่แหละให้บริสุทธิ์หลุดพ้นตัดพบตัดชาติให้เหลือน้อยลงไปทุกครั้งจนสามารถรกิเลสได้เป็นสมุทเทพหานในที่สุด จนบรูลุความที่ใจของเราเป็นพระอรหันต์นั่นเองก็าขอให้ญาติโยม น, นั้นพยายามปฏิบัติและเจริญในธรรมทุกการทุกทุกท่านเถิด